ฟะลองทมกันเนาะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติให้เป็นความมั่นใจกับคามศรโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติมันทำได้ปฏิบัติได้มันให้ผลได้ เราก็เหมืนกายมีใจเราก็มั่นกายมั่นใจกับกายมั่นใจกับจิตใจของเราถ้าเราไมีหลักปฏิบัติเหมือ น, นกับลราอยู่ในบ้านที่มีหลังคาดีฝนตกก็มั่นใจว่าจะไม่เปียกนอนในมุ้งที่มีมุ้งกลางก็มั่นใจว่ายุยงจะเข้าหมา ก, กัดไม่ได้ มั่นใจว่าเราไม่ล่มในมือแม้ฝนจะตกลงกลางล่มออกก็ไม่เปียกได้เราก็มีอาชีพในการปฏิบัติเนี่ยแล้วก็มีอ่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นใจที่สุดเลยโดยเฉพาะวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธ ทำให้เกิดเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายทําให้เกิดเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาได้จนน่าก็มีอาชีพการทํานาก็มั่นใจในการทํานาว่าจะไม่อดไม่ยากไม่ทุกข์ไม่ยากก็ทําได้แม่เนื้อนา เป็นพื้นดินเอาใ ส, นาาส่น้มฝนเอาใส่พืชอันดื่นมาปลูกก็ยังไม่ความมั่นใจแล้วก็มั่นใจจริงๆไม่อดไม่อยากทำได้จริงๆสฉลาดในการทำนานี่เรามาปฏิบัติรรม มีความสนมีทางที่ทำให้เราได้ดำเนินไปก็คิดว่าเพียงพอกับการใช้ชีวิตในอาชีพนี้ยิ่งเรามีพระสทยอยสวดวนธรรมวัตร ก็เห็นด้วยเห็นด้วยกับความสอนพระพุทธเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งเลยนี่ก็ยังมี็นความมั่นใจขนขับรถแม่แต่เป็นเป็นรถไม่ใช่กายใช่ใจจริงๆ ขอ้อความใจในลถของเขาที่เขาเขับขึ้นเขาหลงเขาว่าเขาจะทำลดเขาลง khổ ขอจะทำลถเขาขึ้นเขาได้เชื่อมัน่นคนผู้นั่งก็น่ า, ากลัวแต่คนลูกขึ้ก็ยังสบายเพราะมีความมั่นใจเคยถามเขา คนมั่นใจหรือว่าคนจะขึ้นได้ก็อบอกว่าความมั่นใจมั่นใจอะไรมั่นใจในรถเขาเวลาลงรถมีน้ำหนักคนมั่นใจหรือว่าจะลงปลอดภัยก็ขอบอกว่ามีความมั่นใจแสดงที่ความมั่นใจในความสุขจบพวงมาลอย จะหยุดก็ได้จะช้าก็ได้จะไวก็ได้การปฏิวัติธรรมแน่ยิ่งกว่านั่นอีกมันสัมผัสได้กับพิวิตจริงๆเช่นความรู้จักตัวไปในกายกายก็มีจริงๆเหมือนโลมีเรือที่จะนั่งบนเรือนี่ข้ามภาค แล้วก็ผ่านได้มีน้ำทาให้เราได้รู้จักขับเหลือเป็นชีวิตของเราก็เช่นกันวันมีความพอใจความไม่พอใจเวลาเราเดินทางเวลามีสติภาในกายจะเห็นเรื่องนี้ แล้วก็สามารถเปลี่ยนไดไ้ให้ความพอใจเป็นความพอใจให้ความไม่พอใจเป็นความไม่พอใจเราก็รู้จักตัวขับขึ้นตรงนี้ได้ผ่าขึ้นตรงนี้ได้ขคลขื่นเล่าเคลื่นเล่าก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นนั่งเลือก็ มั่นคงมากขึ้นการใช้ชีวิตในการขับเรือก็สะดวกชำนานมากขึ้นเช่นนี้ได้ผ่านความพอใจเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความไม่พอใจเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความยากเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความง่ายเป็นความรู้จักตัว ได้ผ่านความสงบเป็นความรู้จักตัวได้ผ่านความพุ่งสัานเป็นความรู้จักตัวไปเรื่อยๆไปมันเป็นทางผ่านมันเป็นขึ้นแต่ว่าผ่านได้เพราะก็ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนที่มันยังไม่ผ่านเอาไว้ข้างหลังคือผ่านไปข้างแล้วข้างเล่า นี่คือเราปฏิบัติการผ่านคลื่นในชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่จริงจนมีลูกก็จะคิดมีเป็นเตื่องลูกคนมีอะไรก็จะคิดลัานดันคนมีความทุกข์ก็จะไหลไปทางความทุกข์คนมีความโศกความรักความเียดชังก็ไหลไปตามความรักความเจยดชังเราจึงขับผ่านคลื่นนี่ได้ ให้รู้สึกตัวคือบรนพ้นไปได้หลุดพ้นไปได้ทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นเสมือนมีผู้ช่วยมีผู้บอกเสมอเช่นพระพุทธเจา้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกวามเสีย เป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากนี่ส่วนมากจะกระทบกระเทือนทุกข์วป็นทุกขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงล้อเป็นล้อเจ็ดสังเป็นเจ็ดสังพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นความไม่พอใจมนุษส่วนมากย่อมอยู่ตรงนี้ แล้วก็เห็นเรานี่ยเลยจนมาถึงที่ไม่มีน้ํก า, า ก, กรรมจนแล้วกามเฉก็คือความพอใจเป็นกรรม อ, อนแอรกรรมมาจุขานธิการุโยกความไม่พอใจก็เป็นกรรม อ, อนแอเป็นกรรมมาจุขันธิการุโยก อ, อนแอกเกินไปเป็นทางตืน เราจึงมีความเชื่อมแข็งในจุดที่อ่อนแอเนี่ยเวลาเราปฏิบัติได้บทเรียนได้ประสบการณ์เกิดกายกับใจเรานี่มากมายอันมีรถของโลกรถของโลกคือพอใจไม่พอใจจงถอนความพอใจเลยไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้ แล้วก็ยิ่งเหมือนความมาั่นใจได้เห็นจริงได้เดินไปตรงนี้จริงได้สัมผัสกับสิงตรงนี้จริ ง, รงได้ต้องถามใครรวมหลงไม่ถูกต้องก็มไม่หลงถูกต้องนี่ของจริงรวมทุกไม่ถูกต้องก็ไม่ทุกถูกต้องนี่จริงได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้เชื่อสิเหล่านี้ที่มาเกิดกับชีวิตของเรา ก็แล้วพังเล่ า, า, ลาจนเป็นจลิดนิสัยได้แก้มันได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนลายเป็นดีแล้วก็พอใจในอาชีพนี้กลว่าเป็นกอ่อเป็นกรรมขึ้นมากับผลของการปฏิบัติปฏิบัติได้ให้ผลได้มันเป็นอย่างนี้่วงพ้นภาวะเก่าหรือมันเป็นอย่างนี้นำมาแท้ๆรามาทางนี้ โดดมาทางนี้สเสมือนเราจรึงเข้าอิม่มความอิ่มมันเป็นอย่างนี้ความหิวเป็นอย่างงงุดชีวิตจิตวิญญาณที่ได้พึกหขัดมันก็บอกความเทศความจริงเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติบันได้ ทั้งปัญญาได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิมั่นใจมั่นใจในสมาธิปัญญาก็ได้เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงตรงไหนที่มีปัญหามีปัญญาตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้หรือว่าปัญญาถ้ามีจิติเป็นหนทางเป็นบทฝึกหัดเป็นสิ่งที่เป็นเกณฑ์ขี้วัด บอกผิดบอกถูกแต่ต้องมีสติเหมือนมีตาในเหมือกับตาเนื้อถ้ามีตาลึนตาขึ้นก็ต้องเห็นตาในก็ยิ่งเป็นหน้ารอบกว่าตาเนื้อนี้เห็นเป็ น, ปนงงหน้าโลบยิ่งกว่าตาเนื้อเป็นหน้าโลบ เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แสงนีออนสว่างรอบๆอนี้ไม่ใช่เหมือนไฟฉายแล้วก็มีความมั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติถ้าเราขึ้นฟังได้ว่าจะไม่เหมือนกับอยู่ในน้ำอยู่ในคลื่น ขึ้นมันมีอยู่จริงแต่ว่าอยู่วนฝั่งเราขึ้นฝั่งได้ขึ้นมากระทบฝั่งก็หมดไปถ้าเราไม่ฝั่งขึ้นฝั่งได้เทียบท่าได้เราใช้กายใช้ใจเป็นพ่วงเป็นแพขับขี่ขึ้นฝั่งใช้าากายใช้ใจได้สําเร็จ มีอนันในสมวิกายมีใจละความชั่วได้ทำความดีได้ก็ดีวนฝังก็ย่อมไม่กระทบกระเทือนกับขึ้นก็สักแต่กาวกากายก็สักธาว่ากายสุทุกข์ก็สักธว่าสุกว่าทุกข์จิติมันคิดที่เคยย่อมอารมณ์ กูกับกิจเพราะสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในรถของโลกสมพัสกับรดพัะธรรมได้บ้างเห็นกนระแสแห่งพระา槃ได้บ้างเอามาทางนี้มาทางนี้ ความมั่นใจสําหรับผู้ที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆไปทําไมจะไม่มั่นใจเออเราทำอยู่กรรมฐานเป็นหลักเกาะเป็นหลักการกระทําตัดเว็นตัดกรรมดูจึกตัวดูคอยเคลื่อนไบคู่เฉีนโดกคู่เฉีนเข้าอย่าเฉียนโด อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้รู้ตัดรู้ตัดมาถึงภาวะที่รู้ก็ไม่รู้มันเป็นวัตฏะวัฏฏะคือวังวนหลงเรื่องเกา่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเกา่า ท, ทุกแล้วทุกอีกโกรธเรื่องเกา่าโกรธแล้วโกรธอีกต เหมือนเคยเป็นวัตตะถ้าไม่ตัดตัดตรงไหนตัดตรงกรรมวัตตะไม่สามคือกิเลสกรรมวิบากเหมือนกับหว้วงน้ำคนไม่มีวิชากรรมฐานก็อาจจะผ่านหว้วงน้ำได้ทีจโจมด้างไปเลย ชีวิตตั้งชีวิตชีวิตโจมน้ําขึ้นฝั่งไม่ได้สุขเป็นสุขหรือว่าจมลงไปแล้วอทุกข์เป็นทุกข์ก็จมลงไปในน้ําแล้วขึ้นฝั่งไม่ได้หลงเป็นหลงโจมลงไปแล้วโกรธเป็นโกรธจมลงไปแล้วอุติขึ้นฝั่งเลยว่ามีท่าเทียบท่าใดเห็นมันหลง เมื่อได้เป็นผู้หลงเนี่ยกําลังจะขึ้นฟังได้เห็นวันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์เนี่ยขึ้นฟังได้นี่ชีวิตตรงเทียบถ้าดเป็นเลิกขึ้นไปได้ร้อยโคชีวิตร้อยโคอมีจิตใจก็ไม่มั่นใจตัวเองลุ้มร้ายคุมดี เรียกว่ารอยคอแล้วเด็กอารมณ์จะพาไปไม่ไรรู้จริงตามไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าจิตต่อขออาาวางเอจิตตะวังของจิตคือมันคิดคามเป็นดังจิตก็คือตรงนี้ละ่ะมันคิด มาเห็นวันคิดอยากเข้าไปอยู่ในความคิดมีกรรมฐานลูดตัดลู่ตัดตัดกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือติดกรรมคือคการกระทำวิบาก ค, คือสวยผลที่เป็นกิเลสเป็นกรรมก็ทํากรรมไปก็เลยติดเป็นวิบาก จุกที่ใดก็เป็นจุกทุกทิ่ใดก็เป็นทุกหมันคนสุบบุรีตัดกรรมตัดตรงหน่อยจิเล็กรรมวิบากเป็นวัฏฐ์วัฏฐวนมัลู่อันไหนเกิดก่อนเช่นชนสุบบุรีเพราะสุบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูุ เ <Cornell>. นีเ่ยวิบากยิเลศกรรมวิบากถ้าเปรียบเทียบกบเหมือนคนติดบุตรีติดสิ่งเสพติดติดกรรมอาคุณทั้งหลายติดรถของโลกกรรมฐานต้องตัดตรงนี้กรรมที่ตรงนี้ตัดตรงกรรมมันตั้งต้นที่กรรมคือการกระทำกรรมเป็นตัวการใหญ่ ก็มีการกระทำเพราะสูบมันจะติดเพราะติดถึงอยากเพราะอยากถึงสู่เพราะสูบถึงติดแนะตรงกรรมนี่แหละตัดปงรอกันนี่แหละเพราะอะไรวะเนี่ยเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่ติดเออเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากตัดกรรมตรงนี้นะกรรมฐานตัดจริงๆตัดตรงไหน มันคิดกันมาลู่เฉยตัวเนี่ยตัดจะเป็นกรรมอะไรมาก็ตัดตรงนี้กรรมคือทางกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมมโนกรรมคือจิตที่มันคิดนี่เป็นใหญ่ตัวการใหญ่ก็ตัดตรงนี้นะมันจะต้องเห็นทุกคนเวลาเราฝึกสติที่มันโหลกได้จากในความคิด นื่งรู้จักตัวมันคิดไปโดนกลับมากลับมารู้จักตัวเนี่ยตัดกรรมตัดกรรมตัดเว้นตัดกรรมตัดเว้นตัดกรรมหลวงปู่เทียนบอกว่ารู้ตัดรู้ตัดรู้ตัดนี่ความรู้มันเป็นอย่างนี้เมื่อตัดแล้วก็วหลานท่าว่าลักยาวให้บันลักสั้นให้โตลักยาวให้บัน หลักสั้นให้ตอถ้าจะให้สติยาต้องตัดตัวหลงอหลงใจลู่หัวมยาวความติไปเรื่อยได้ความลู่เพราะควหลงมันยาวตรงนี้ได้ความไปทุกข์เพราะความทุกข์มันยาวตรงนี้มมนนปัญญาสติปัญญาแต่ความสั้นคือให้ต่อหลักยาวให้บรรลักสั้นให้ตอ ต่อความรู้จักตัวไปเลยแล้วมาจะได้ความหลงจะได้สั้นขึ้นมามันจะไม่มีมันจะไม่เป็นวัฏฏะงั้นจะไม่ปูกยงบนกฎเรื่องเกา่ากฎแล้วก็เด็กทุกเรื่องเกา่าทุกแล้วทุกเองน่เป็นวัฏฏะวตตัดตรง น, นี้ก็เรียบชีวิตเรียบมาชจฐานเงินทองมิตรภาพ เท้านายแก้วไม่กระเพื่อมเลยมันเรียบทำไมจึงเรียบได้เพราะมันตัดใบมีดแท็กเตอร์มันตัดใบมีดกรดกรีดมันตัดตรงไหนสูงตัดไปตรงที่สูงตัดไปติดใบมีดัวไปถมที่ตํามันก็เรียบหลายรอบตอนนี้ยิ่งเรียบหลายรอบเทอนนี้ยิ่งเรียบเอ่านคําว่าลู่เฉยๆเนี่ยมันก็ มันใช้รูเฉยๆเป็นทางไปมันจะเรียบลุกขามันจะเรียบจะได้ง่ายมากขึ้นทีแรกก็ง่ายที่จะหลงเปิดไปเปิดง่ายที่จะไม่หลงเป็นอย่างนั้นวิชากรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีใดจะสอนคนแล้ว จนใจจริงๆไม่มีวิธีใดที่จะมาบอกสอนความเท็จขงจริงที่มาเกิดกิดกายกับใจเหล่านี้นอกจากพุทากรรมฐานจึงต้องพูดต้องสอนกับอยู่นี้ขอใช้ชีวิตอย่างนี้แต่ใช่มาแล้วเกือบจะห้าสบปีแล้วมันก็จนใจไม่มีวิธีใดอีกแล้วก็คือความลักมุษยดทั้งหลายเนี่ยไม่อยากให้มัน เป็นวัตตะให้มันขึ้นฟั่งได้ทุกชีวิตเนี่ยเตยือนหนุม่มแต่น้อยก็ยังดีหลอให้เท่ากับแกมาได้ก็ใช่ไหมถูกก้อยโยงลงไปในวัตตะเพื่อแกเก็บตายไปเฉยเฉยจุจจก็เป็นจุกอยู่จน น, นันทุ ก, ก็เป็นทุกอยู่จน น, นั่นพอใจก็เป็นกว่าไม่พอใจอยู่จน น, นั่น ไม่พอใจก็เปนกนควไม่พอใจอยู่จนนั้นอะไรล่ะที่เป็นสมบัติของชีวิตเจจริงๆนะชอบถึงเงินทองหรือเปล่าทั้งนั้นบุตรปัญญาสามีหรือเปล่าทั้งนั้ น, น, าา เ, น, นเก็บคนเดียวตายคนเดียวเราเก็บวก็เป็นเก็บทุกข์เพราะความเก็บทุกข์เพาะความแจ่ทุกข์พความตทรมายจริ ง, งที่มันเป็นลดของโลกหาเป็นไป แล้วต่มันจะพาให้ฉุกให้ทุกข์บางทีฉุกทุกข์ก็เป็นสมมุติเอาเป็นบัญญตัตเดเอาวัตถุมาเป็นฉุกเอาวัตถุมาเป็นทุกข์บัญญัติเอาสมมุติบัญญตมมั ต, ญญติวัตถุอาการต่างๆไกลกว่าชีวิตเราเลยแล้วแต่สิ่งที่นั่นมันจะเป็นอย่างไรอะไรสิ่งทเทวรัตนอาจจะพัดภาคจากไปก็ทุกข์ วความลักเสียใจอกคักในรถของโลกไม่ย่อแยะนะไม่เน้นทาเฉรนเฉินไม่ได้ไม่เสียไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เสื่อมไม่เจริญนี่เป็นสมบัติของโลกมาช่เราโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เกิดมาพอที่รู้จักโลก เพื่อนอยู่ที่นี่มาหลายปีสี่สิบปีก่อนที่นี่ก็ไม่เหมือนอย่างนี้อร่อยที่มันไม่เที่ยงบรรพบุรุไปแล้วจริงๆมีเห็กุกระ ด, ด้างหรือดูนี่หมดไปแล้วแต่ก่อนเจ็บได้เป็นกระสอบกระสอบในวัดนี้แต่เขียนทองไม่ซีล้มลงที่นี่ค่าสอกค่าแขนก็เกิด เหตุหลังกัดด้ า, างเดี๋ยวนี้ไม่มีขนได้ไม่มีใบโอ้เนี่ยเห็ดโก้เห็ด ก, กัดด้างสัตว์บางเพศก็หมดไปฤดู ห, ห, หนาวสัตว์ในน้ำล้องตลอดคืนมีงูมีอะไรแย่ๆเยอะ นาหรือดูผลก็จัดในน้ำล่องเปลียปยป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงกันไปจรบกนกต่างๆหมดไปแล้วโสฝนโอเลยไลหมดไปแล้วอาหารบังยา ง, ยางหมดไปแล้วงีแต่ของไม่ดียังเหลืออยู่นางกว่าเน่าเกิดหนอนแต่ก่อนแม่งง้องแง่งอมัง กันสู้แมหลังง่ำแมงก้องแขนงแมนมแหลงอะไรต่างๆในน้นาจะเวิงกระแตงตักลงไปได้ของอยู่ของขึ้นไม่กี่นาทีในน้ำเดี๋ยวนี้มีถนนมันก็เป็นอย่างนั้นโลกนี้เราจะาใส่อะไรเป็นแขนสารพึ่งพ า, าใส่อะไร อย่๋งวนี้ก็วันวิถวกันทั่วโลกโลกมันสำรุจชุดโรมไม่ว่าจะประเทศไทยที่ไหนก็เหมือนกันหมดไปธรรมชาติก็เกิดมากขึ้น เดี๋ยวนี้เพรีงดินเดินไปก็มีแต่พายอากาศหายใจก็มีแต่พิษพายน้ำก็มีแต่พิษเตยภายอาหารก็มีแต่พิษเตยภายแต่ก่อนไปทำนาทำไรกินน้ำลอยวัวลอยควายได้เดี๋ยวนี้น้ำควรดังก็แพงมากแพงกว่าน้ำมัน จะทำอย่างไ <c oughs> ต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจหาเงินหาทองเพราะคนใช่มากวลลีพวนิยมมากเกินไปปุ้งเผื่อเกินไปถ้าเราปฏิบัติจะสมล้วมลงใช่ไหมมากถ้้เราเป็นนักปวดไม่ได้แย่งอาชีพใครขอจึงเข้า ว, วันละบาท ไอ้ น, นี่ก็วันเราถ้วยยินสองถ้วยมาได้ก็ไม่มากเราจึงไม่เอาเปรียบคายมาอยู่ในเพศนี้คงไม่เป็นบาปเราก็ไม่ใช่โจรผู้ร้ายเราจะบอกผิดบอกถูกแก่ผู้ใจคนอย่างนี้จะมีแครสักสี่คนที่สนใจเรื่องนี้ก็ยัง อุ่นใจเห็นพวกเรานักปฏิบัติมีแต่ปัญญาชนย้าเวียนมาที่นี่ก็ ร, รู้สึกว่าพอมีหวังจะได้ช่วยกันเป็นข า, เ ป, นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงเป็นหูเป็นตามาช่วยสิ่งที่ดีให้ขึ้นมาเอาชนะสิ่งที่เลวร้วายให้หมดไป ลูกหลานเราเกิดจดุดท้ายเพหลังเขาจะได้มีที่อาอสายนี่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่นนั่งสอนับวัฐารอย่างเดียวต้องเพื่อโลกอยู่วันที่หนึ่งทัานวา็จะเดินธรรมยัตาขั้งที่สิบสี่กกล่าวปาลอปร้องไปยังหม่ออบ้านครมีต่างๆให้มาดูโลกช่วยโลกช่วยตามชาติ ป่าไม้ร้องไห้แม่นม้ำหลมป่วยแผ่นดินเป็นธรรมภาตอากาศเป็นพิษใครจะช่วยเรายัางมีสอสอสอวอช่วยอ๋อ น, นู่นนี่แต่ว่าจริย น, นี้ไม่มีใครช่วยมีแต่คนที่ลุมทำรายเข้าไปเราจะเป็นตัวแทนของธรรมชาติดูแลรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตามความสามารถ ก็เราเห็นคุณค่าเช่นเหล่านี้เห็นคุณค่าของพ่อของแม่ที่เราได้เกิดมาได้กายได้ใจมาเหื่อห้านิ้วจีบนิ้วขอทำความดีอย่าไม่เอากายาใจนี้ไปทําความชั่วเด็ดขาดจยกายออกใจมาทําแต่ความดีมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ก็ทําทแต่ความดีที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อโลก นี่แล้วก็นี่เพื่อนมีมิตรยัางหูนจะอยู่มาช่วยกันช่วยกันช่วยกันพูดไปก็หมูเถีย ง, ง, ง, งเราดันอ๋อตรงนั้นใช้เวลาจากพระพ่อกัร